ก็ความจเจริญในธรรมยูงมีแต่ท่านปุพังทั้งหลายแต่รมพูตยานในวันนี้จะตอบคำถามของนักศึกษาสถาบันราชพัฏต่อไปเธอถามว่าเมื่อก่อนเคยทาไม่ดีทำให้พ่อแม่เสียใจหลายครั้งรู้สึกว่าบาปมากอยากถามพระคุณเจ้าว่า ถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีโดยไม่ได้ตั้งใจทำเป็นเหตุการณ์บังคับให้ต้องทำให้ทาให้พ่อแม่เสียใจเสียเงินเสียทองเป็นบาปหรือเปล่าไอ้บาปนะั้นมันบาปอยู่แล้วนะคือจะบังคับหรือไม่บังคับบาปมากหรือบาปน้อยนะเป็นรายละเอียดเพราะว่าบาปเนะี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจิตใจคุณมัวเศร้าหมองอาจจะเกิดมาจากความโกรธอาจจะเกิดจากความโลภอจจาจจะเกิดจากความเขา่า อาจจะเกิดจากความริษยาความแข็งดีความดื้อด้านในอะไรต่างสรุปรวมว่าเป็นบาปด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่ายังไงมันก็ทำไปแล้วในวัยที่เป็นเด็กเนี่ยเป็นวัยที่อ่อนไหวยังไม่ชัดเจนในเรื่องอะไรว่าเป็นอะไรมากนะักมันตามปกติแล้วก็ พ่อแม่ก็ต้องอภัยกันต้องอดทนกันไปลํำพี่ลูกปลูกพี่นั่งกันไปจนกว่าลูกจะตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานได้แต่ว่าเมื่อมาถึงจุดนี้สำนึกผิดเนี่ยทางที่ดีที่สุดแล้วก็คือไปกราบเท้าพ่อแม่้กมาลาโทษที่ทำให้ท่านเสียใจผิดหวัง ประสบความทุกข์เสียงเงินเช็ดทองและตั้งใจสํารวจระวังต่อไปมันก็ไม่มีปัญหาใดหรอกเพราะว่าคนเรามันมีใครที่ทําอะไรได้สมบูรณ์ถูกต้องไปหมดด้วยประการทั้งปวงมันมีผิดมีพลาดอยู่เป็นปกติธรรมดาคือคนเราผิดแล้วสํานึกว่าเป็นความผิดแล้วแก้ไขใหม่มันก็เป็นความดีก็สำคัญว่าผิดแล้วไม่ยอมรับว่าผิดไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขตัวเองเนี่ย เป็นปัญหามากการนั่งสมาธิแบบในป่าคนเดียวจะเกิดผลดีกว่าการนั่งสมาธิแบบรวมหมู่ไหมครับแบบไหนดีกว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจคนนะคการรวมหมู่กันแต่อย่าให้เบียกกันมากนะมันก็ดีเพราะว่ามันมีคนช่วยชี้นาชี้แนะให้ การไปนั่งในป่าบางครั้งเรากลัวสัตว์บา ง, างครั้งกลัวอันตรายบางครั้งก็กลัวผีบางครั้งก็กลัวนั่นกลัวนี้ใจอาจจะไม่สงบก็ได้แต่ทีนี้ตีต่างว่านะติีต่างว่าเราได้ศึกษาเราเรียนภาคทฤษฎีมาพอสมควรด้วยกันแล้วคนหนึ่งไปนั่งในป่าโดยไม่มีความกลัวต่อสัตว์ร้ายไม่มีความกลัวต่ออันตรายไม่มีความกลัวผีนะแล้วก็กับนั่งเป็นหมู่เนี่ย ทั้งในป่าน่าจะช่วยได้มากกว่าเพราะบรรยากาศมันเอื้อนะฮะบรรยากาศป่าเนี่ยมันช่วยให้สงบได้ดีมันผิดกับบรรยากาศซึงมีคนอยู่มากบางทีเพื่อนที่ปฏิบัติด้วยกันนั่นแหละก็ะทำไม่มีปัญหาวกบขยับน้นขยับนี้ก็ทำให้เราจิตใจไม่สงบตามไปด้วยแต่เมื่อยังไม่พร้อมที่จะเข้าป่าเนี่ย ก็ควรจะอาศัยการทำเป็นหมู่ไปก่อนตามปกติก็ต้องฝึกไปก่อนนะฮะจึงจะออกไปป่าได้ถนัดทนีเนี่ยอิตธิบัติ4ก็พงมีอันส่ใช้ยอย่างไรจะดีกว่านั่นใชคนละกรณีกันนะนะัะอิตธิบัติ4ใช้กับภารกิจการงานทุกอย่างที่เราต้องจัดต้องทำ คือใช้ปัญญาพิจารณาสดสองมองเหตุมองผลมองวิธีการมองหลักการในการทํางนานเหล่านั้นแล้วก็ปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามในจิตใจมุ่งมั่นมีปัญญากํากับอยู่ตลอดเส้นทางของการกระทําแล้วก็นาคนให้ประสบความสำเร็จในภารกิจการงานเหล่านั้นจะ่สวนภมิหานั้นเป็นท่าชีที่เรามีต่อคนเราในโลก ถึงถ้าเราแบ่งคนในโลกเนี่ยจะออกเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มมงคือคนทั่วไปหมายความมาทุกชีวิตในโลกนี้ที่อยู่เป็นปกติธรรมดาทั่วๆไปท่านก็สอนให้มีเมตตาราตนาที่จะเห็นเขาอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้แต่ละชีวิตเนี่ยอยู่ดีมีสุขตามทุกควรแก่สถานะของตน คนกลุ่มหนึ่งเขาประสบปัญหาประสบความทุกข์ภัยอันตรายความเดือดร้อนต่างๆแล้วก็กรุณาปัตน า, า, นาที่ใจเขาหลุดพ้นจากความทุกข์คนบางคนก็ประสบความสาเร็จจะเริ่นก้าวหน้าได้ล า, ลาบได้ยศได้สุขได้สันเตือนแล้ก็แสดงความชื่นชมยินดีแสดงมุติตาโมทนา ในความเจริญก็หน้าความสำเร็จของเขาคนบางคนเขาประสบผลกรรมดีจนอยู่เป็นสุขยั่งยืนถาวรไปแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรคือวางเฉยได้แล้วก็คนบางคนนั้นทำผิดจนต้องติดคุกติดตารางเราก็วางเฉยได้วันใช้คฎละรณีกันแต่ในขณะที่เราเจริญพรมิหาเนี่แหละเราก็ต้องมีอิติบาทอยู่ด้วย เพราะว่ามันเป็นการว่ายน้ําทวนกระแสคือเมตตาในทวนกระแสพยาบาทเกลนาทวนกระแสเบียดเบียนมุติตาทวนกระแสริรษยาเอวเบขาทวนกระแสอคติซึ่งแต่ละเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาภูเขาคือทำได้ยากด้วยกันทั้งนั้นก็ต่อไปถามว่าเรื่องความรักจะเป็นปัญหาทางธรรมบ้างไหมมันก็เป็นนะฮะ เกิดมาจากราคะเกิดมาจากโลภะถ้าเป็นก็อนมัสการพระคุณเจ้าช่วยไขยปัญหาให้พระเจ้าหรือว่าทาไมความรักจึงมีทั้งสมหวังและผิดหวังผลบุญอดีตชาติมีผลจริงหรือไม่เพราะมันเป็นอารมณ์นะฮะความรักเนี่ยมันเป็นอารมณ์อารมณ์ก็ไหลไปตามกิเลสส่วนมากไม่มีเหตุผลแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่น ถ้าเขารักเราเรารักเขามันก็สมหวังถ้าเรารักเขาแต่เขาไม่รักเรามันก็ผิดหวังมันก็ธรรมดาเนี่ยนะะธรรมดาไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตมันก็ยังมีสมหวังผิดหวังหนภาษาอะไรกับคนอื่นซึ่งก็มีความคิดมีจิตใจเหมือนกันที่เราจะสมหวังบ้างผิดหวังบ้างไม่ได้พุ่นบนนิริชาตมีผลจริงหรือเปล่าก็มีจริงนะฮะ เราจะเห็นว่าผลบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราที่พูดในทานองโชคเคราะห์ดวงชะตาราศีอะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนด้วยทํำไปแต่ว่าผลเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไอ้นี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลบุญในอดีตผลบุญในอดีตที่เรากระทำบำเพ็ญเอาไว้แล้วก็มาสนองผลแกเราในปัจจุบัน ปัญหาต่อไปถามว่าเวลาตายไปแล้วตกนรกรับทุกทรมานอย่างแสนสหัสแล้ววิญญาณจะตายอีกรอบไหมตายแล้วตายอีกรอบไหมก็เขาบอกเกิดเกิดตายตายอย่างนั้นนะฮะเกิดเกิดตายตายอย่าันกว่าจะสิ้นกรรม ถูกทนทุกข์ทรมานถึงจุดหนึ่งก็ตายแต่มันเกิดโดยผุดขึ้นนะฮะคือเกิดเป็นบินอยู่ชนเลยเกิดแล้วก็เติบโตเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลยแล้วก็จดชายผลกรรมกันต่อไปก็ตายตายก็เกิดดิบเรียกว่าเกิดเกิดตายตายซ้ําๆำซากซากเป็นร้อยชาติพันชาตินะฮะก็อยู่ในที่นั้นนะจนกว่าจะสิ้นกระแสกรรมเมื่อเข้าไปเจ้าอายุประมาณสิบ เจสิบสองปีเคยเข้าวห้องน้ําของสงฆ์ซึ่งเป็นกุฏิอยากทราบว่าข้าพเจ้าจะเป็นบาปหรือไม่ไม่หรอกเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงก็ห้องน้ําอ่ะห้องน้ําก็คนก็ใช้กันได้เป็นการทั่วไปแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาการห้องน้ําได้เป็นกิจลักษณะเป็นรูปเป็นร่างเป็นโถอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากมันมีกันในวัดน่ะในบ้านของไม่ค่อยมีมันแถวบ้านก็นจะถือหรือไม่ไปใช้ ไม่ไปใช้ร่วมกับพระคือตามปกติแล้วก็ให้ความเคารพ ก, กันอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วเมื่อมีความจําเป็นคนก็ต้องเข้าห้องน้ําก็เข้าไปไม่ได้เจตนาจะล่วงเกินทําความสะอาดให้เรียบร้อยก็จบแล้วอย่าไปคิดอะไรมากคิดมากเกินไปมันก็ไม่ดีแร้วและก็ทําด้วยความไม่รู้ว่าบาปหรือไม่นะฮะ ร, รู้สึกกัดข้องใจมาตลอดก็ไม่ต้องไปติดใจอะไร พระหันยังมีอยู่ในโลกหรือไม่ก็มีอยู่นะเป็นปกติธรรมดาตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าศาสตร์ใดที่อริมักเปองแปประการยังมีอยู่การศึกษาการปฏิบัติชอบตามอริมักเปองแปประการยัง่มีอยู่ศาสตร์นั้นโลกจะไม่ว่างจากพระญราบุคคลทั้งสี่ประเภทเพราะเมื่อเราจับหลักนี้ก็แสดงว่าในปัจจุบันพระหันนั้นก็มีอยู่นะฮะในประเทศต่างๆแล้วเราก็มีข่าวไว้ได้ยินได้ฟังกันบ่อย ความผิดที่เคยทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการสามารถลบล้างโดยการทำความดีทดแทนได้หรือไม่ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยมันจิตนาไม่แรงความพยายามไม่แรงนะฮะแล้วก็บาบก็คงไม่หนักอะไรแต่ว่าเรื่องทำความดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะกุเหตุกุผลกันความชั่วก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าถ้าเราทำความดีมากๆเนี่ยพลังของความดีมันจะผลักดันความชั่วเนี่ยให้มันให้ผลได้ช้าลง ก็แบบสุนัขไล่เนื้อแล้วก็รออะไรมาดันเอาไว้เนี่ยมันก็กัดไม่ได้บาปบุญเนี่ยมันต่างแยกต่างให้ผลนะฮะมันคนละเหตุคนละผลคนละจตนาคนละความพยายามกันมาลบล้างกันไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเหมือนกับน้ำใสนะน้าใสที่มันสลายน้ำขุ่นให้ตกเป็นตะกอนอยู่ข้างล่างได้น้ำข้างบนมันก็สะอาดแต่ว่าถ้าใครเขย่าแรงๆก็ขึ้นมาได้เหมือนกัน ข้อต่อไปถามว่าจิตใจที่ไม่ค่อยมีสมาธิจะแก้ไขยังไงก็พยายามฝึกปือใช้สติทุกเรื่องนะฮะในเรียบ ท, ทั้งหลายฝึกให้มีสติแล้วลึกก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดขณะทําขณะพูดขณะคิดหลังอยากทำหลังอยากพูดหลังอยากคิดไปแล้วนั่นฝึกสติให้ร ว, วดเร็วว่องไวแล้วก็จะรู้เท่าทันตามความเป็นจริงคืออาการของความเหมื่อยลอยต่างๆนี่ก็จะลดน้อยลงไป ความขาดสติความเพลอต่างๆเนี่ยคือการขาดสมาธินี่จะลดน้อยลงไปแต่ว่าต้องทํากันต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าทำประเดียวปดาแล้วจะเกิดผลการให้ทานคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ถ้าผู้ให้ทานให้ทานโดยหวังให้ผู้รับทานพ้นจากสภาพหนึ่งแล้วถือเป็นการให้ทานหรือไม่อันนี้ก็ให้นะให้โดยความกรุณา แล้วก็หวังผลตอบแทนคือคนเราหวังผลทั้งนั้นแหละมันไปพูดอะไรกันยุ่งยุ่งกันเฉยเฉยคือไม่รู้หลักฐานมาจากไหนคือคนสร้างเหตุก็ต้องหวังผลนะเพียงแต่ว่าผลนั้นเราต้องการอะไรเป็นอุปนิสัยปัจจัยต้องการจะสร้างบา ร, รมีต้องการจะกจัดกิเลสต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันก็ต้องหวังผลทั้งนั้นแหละไม่หวังผลไม่ทําอะไรหรอกแม้แต่ตั้งสัตว์ อธิษฐานขอให้บุญบรรดาใ้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้อย่า ง, นางโน้นก็ทํากันอยู่พระพุทธเจ้าในชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งประธรรมตลอดแต่คนเดียวมาพูดเนี่ยบางทีมันก็พูดเอาเอาเองนะฮะพูดกันเองโดยไม่ค่อยศึกษาชอบพูดโดยไม่ศึกษาเรียนรู้ให้ดีแต่ก่อนว่ามันที่ไปที่มามันมีหรือเปล่าเรื่องศาสนานี่เป็นเรื่องของประาศาสนาเราต้องถามพระพุทธเจ้าไปสามคนอื่นไม่ได้เรา ถามหลพุทธเจ้าก็เปิดดูในพระไตรปิฎกค้นหาในพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกท่านว่าอย่างไงก็คืออย่างนั้นแหละเราไม่มียานอย่างรู้เรื่องอะไรได้ละเอียดแต่ว่าจากปฏิปทาในเรื่องชาดกเนี่ยเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะอธิษฐานทุกครั้งตั้งความปรารถนาทุกครั้งแม้แต่ชาติที่เป็นวัยสันดรเนี่ยทำทั้งหมดเนี่ยต้องการให้จัตสรู้เป็นปัสะมาสัมุทิตเจ้าเท่านั้น ตัวแสดงว่ามีความหวังนะฮะหวังจะได้เป็นพระพุทธเจ้าให้ลูกไข่เมียให้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยต้องการขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นคำว่านิพานมีส่วนหลังพระพุทธเจ้าไปนิพานมีได้ยังไงคำว่านิพานมีส่วนหลังพระพุทธเจ้านิพานมีได้ยังไงอันนี้ไม่เข้าใจนะะ <c oughs> คือก็นิพานก็นิพานไปแล้วแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่จะบำเพ็ญเพียรหลังพระพุทธเจ้านิพานไปแล้วก็สามารถบรรลุมาผล น, นิพานไดนะ้น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าเขียนภาษาเนี่ยเขาจะยากทําไมต้องมีศาสนาถ้าไม่มีศาสนาแล้วมนุษย์เราจะเป็นอย่างไรคือหลักการในการครองชีวิตเนี่ยต้องมีจุดยึดเหนี่ยวเป็นหลักมีสติมีเหตุผลมีสัมปชัญญะมีสิริมีอตรพะมีเมตตากรุณาอย่างเงี้ย มันก็คือหลักศาสนาแล้วก็เป็นองค์กรเป็นคณะบุคคลที่จะต้องมีการประสานงานมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการเผยแพร่มีการดูแลรักษาศาสนาช่วยสร้างสรรค์พัฒนาสังคมมาอยู่ร่วมกันโดยปกติสุรักการศาสนานี่เป็นจุดยึดเหนี่ยวที่จะผนึกจิตใจของคนซึ่งมีความแตกต่างกันหลากหลายนี่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะงั้นความจะเป็นเรื่องศาสนานี่มีอยู่ตลอดไปและมันขาดไม่ได้หรอก อย่างน้อยคนเราต้องมีหลักยึดเหนี่ยวอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะสามารถครองชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุขพอสมควรพี่ชาโลกหลายๆคนพากันพูดว่าโลกจะแตกพระคุณเจ้าคิดว่าโลกจะแตกจริงหรือไม่ค่ะมีโอกาสจะแตกหรือไม่จะแตกจากไรจะมีวิธีแก้ไข ย, ยังไงอันนี้เป็นนิทานะนะฮะ คือพูดกันไปเรื่อยๆส่วนมากและเป็นพวกศาสนาคริสต์ชอบพูดในแนวนี้เพื่อจะให้คนได้รีบทําบุญกับพวกเขาเขาเรียกว่าจองอะไรละ่ะจองสวรรค์ฮะจองจองที่ในสวรรค์เพื่อจะไปอยู่ในสวรรค์ก็เคยมีคนมาเล่าให้ฟังลูกเขาไปจองพื้นที่ในสวรรค์แล้วก็พามาคุยกันด้วยเลยเห็นแกก็หัวแข็งก็ไปอย่างนั้นก็ปล่อยเข้าไปก็เลยก็ไม่อยากพูดด้วย ข้อต่อไปถามว่ามีคนคนหนึ่งวงเล็บสมมติเป็นชื่อนายกอวงเล็บปิดไปฆ่าคนวงเล็บนายขอชาติหน้านายขอหรือคนอื่นก็ไปฆ่านายกอคืนทำให้นายข อ, ขอเป็นบาปแล้วจะถูกเขาฆ่าไปเรื่อยๆอยากจะเรียนถามล้วคุณเจ้าว่าเมื่อไรจะหมดกรรมคือมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปหรอ ในกรณีที่เป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าแต่และฝ่ายเนี่ยจองเวรจองกรรมขอร่างขอผานกันนะแต่ต้องจองทั้งสองคนนะฮะจึงจะกลายเป็นคงเกวรคงกรรมอย่างนั้นแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งไม่จองฝ่ายหนึ่งจองมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาอย่างวันก่อนหลายวันมาแล้วที่เคยเล่า ว, ว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเนี่ยในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระเทวทัตก็จองร่างจองผานทุกพบทุกชาติกับพระโพธิสัตว์ แต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่เคยจองนะฮะเทวทัตท่านไปจองนท่านคนเดียวเพราะท่านทาอะไรก็ทําไปแต่พระโพธิสัตว์ไม่เคยไปจองเวรจองกรรมอะไรกับท่านเพราะนั้นพระเทวทัตก็รับผลบาปคนเดียวจบลงในตอนสุดท้ายเนี่ยเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากนะเกิดเป็นเจ้าชายในราชวงศ์สกยะและโกนิยนด้วยกันแล้เป็นลูกผู้พี่ลูกน้องกัน คนหนึ่งกลายเป็นพระอาหารหันต์ตสมมาส ม, มุทัยเจ้าคนหนึ่งกลายเป็นสัตว์นรกกเวจีโอโหมันห่างกันมากมายกายกรนีเร่เกินนั่นก็แสดงให้เห็นถึงผลของการจองเวรจองกรรมทีนี้ในกรณีของนายกอเนี่ยสมมุติว่านายขอไม่จองเวรด้วยนะไม่จองเวรด้วยนายขอก็เป็นไปตามกรรมของเขานายกอที่ฆ่าคนเนี่ยต้องรับผลบํา ผลบาปที่ถูกฆ่าอาจจะถูกใครฆ่าอาจจะถูกเจ้าหน้าที่ฆ่าหรือศาสตร์ฆ่าอะไรแไรไม่รู้แต่ว่าตายจะถูกฆ่านี่แหละจนกว่าจะสิ้นกระแสของกรรมในแช่วันนายขอจะต้องมาเกี่ยวข้องด้วยถ้านายขอไม่ปลูกเวรนายขอก็ไม่เกี่ยวนายขอก็ถูกฆ่าตายไปชาติเดียวแต่นายกอที่จะถูกฆ่าตายหลายชาติมันไม่ใช่ว่าตามฆ่ากันเป็นอย่างนั้นนอกจากว่าผูกเวรกันคือจองเวรกัน ที่พระเจ้าทรงสอนให้สนาคว่าเวรย่อมไม่ระ ง, งับโดยการจองเวรแต่จะระ ง, งับไปโดยการไม่จองเวร น, นี่ก็เป็นหลักการสาคัญในทางาศาสนาข้อต่อไปถามว่าทําไมตอนนั่งสมาธิรู้สึกเหน็บชาไปทั้งตัวแต่ก็รู้สึกว่าตัวเราเย็นสบายหายใจโลง่งทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นหวัดในตอนกําหนดจิตอยู่ที่ระหว่างคิ้วอยากแค่ทราบ ว, ว่าจิตตอนนั้นเป็นสมาธิอยู่หรือไม่ เนบชานั้นจะมีผลกระทบต่อร่างกายเราทีหลังหรือไม่จะแก้ไขยังไงไม่ได้เกี่ยวนะเป็นอาการนะฮะเป็นอาการของการเจริญสมาธิเป็นปกติธรรมดาของการเจริญสมาธิไม่ว่าใครก็ตามไเวลาเจริญสมาธิมันก็เจอสภาพบรรยากาศในลักษณะอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเดือดร้อนหรือไปวิตกกังวลกับปัญหาในลักษณะอย่างนั้นแบบดีนะฮะคือเจริญสมาธิได้แล้วก็รับผลมาขนาดนี้ก็ถือว่าเก่ง กอต่อไปถามว่าท่านอาจารย์ที่สอนอยู่ตอนเรียนมัธยมศึกษาท่านบอกว่าการฆ่าหมูกรรจะตานตันเร็วอประคุณเจ้าคิดว่าจะจริงหรือไม่และถ้าการฆ่านั้นเป็นการกระทําที่จําเป็นอย่างโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งพี่ใจไม่อยากทําจะบาปมากไหมแต่การฆ่าหมูนี่บาปมันไม่แรงขนาดนั้นอพวกแอ่งบทพวกฆ่าหมูมันก็ถูกสนองตายหมดแล้วล่ะ คนที่ฆ่าบาปแรงคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันนะฮะพวกนี้าบาปแรงตอบสนองแรงมากแล้วก็เร็วนะฮะไม่ก็นับเป็นเดือนนะฮะนับเป็นเดือนนับเป็นปีแต่นั่นเองจะจะไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรอกแต่ว่าการฆ่าหมูนั้นมันคนฆ่ากันเป็นปกติธรรมดานะฮะบาปมันก็บาปแหละแต่บาปไม่แรงก็ไปเทียบอ น, นันตเกรรมไม่ได้ ทีนี้ส่วนที่ว่าจําเป็นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าจําเป็นจริงๆถูกสถานการณ์บีบังคับกดดันมากๆเนี่ยเจตนาไม่แรงความพยายามไม่มากแล้วก็สัตว์นั้นก็แสดงว่าคุณก็ไม่มากก็เป็นบาปนะฮะปฏิเสธบาปไม่ได้แต่ว่าบาปไม่มากแต่นั่นเองปัจจุบันสังคมมนุษย์นปวัยิ่งโหดร้ายมีคนร้ายม า, มากกว่าคนดี เหตุใดมนุษย์จึงเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆทําไมไม่ไปเกิดเป็นสัตว์ในพบหินบ้าง อ, อันนี้มันเป็นกฎของธรรมชาติของเขามนุษย์เราก็เป็นไปตามกรรมนะความโหมดไดร์รุนแรงต่างๆเคืว่ากันตามความเป็นจริงนีนโลกมันมีคนดีมากกว่าคนชั่วตั้งไม่รู้สกกี่เท่าตัวเลยฮะแต่ว่าคนชั่วมีมากอย่างนั้นโลกมันก็อยู่ไม่ได้เรา เราเห็นว่าโจรบางทีก็มีข่าวอยู่คนเดียวตั้งหลายปีนะฮะผู้กอการร้ายอย่างบินลาเดนเนี่ยก็ทั้งโลกก็มีอยู่คนเดียวแต่นั้นเองฮะมันไม่ได้มากมายอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าพวกนี้มันจะป่วนโลกมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ป่วนโลกได้มากมายไายกองเราก็มองใกล้ๆคนชั่วมากเมื่อนกันข่าวคราวเรื่องพระทําไม่ดีนี่ที่จริงไม่ได้เปอร์เซ็นต์เลยซ้ําไปนะฮะแต่เราก็ไปคิดพอเห็นใกล้ายๆกมีสักองเลยเหมือนกับพระนี่ชั่วหมดเลย ไม่เหลืออยู่เลยอย่างงั้นมันก็เป็นการละเลยข้อเท็จจริงส่วนที่สัตว์มันเกิดมากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า บ, บุญกุศลที่เขาทาเอาไว้อยู่ในดับมนุษย์เขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าคุณภาพที่เป็นมนุษย์มันก็มีความยิ่งย่อนแตกต่างกันไม่หยาบกลางละเอียดเพราะงั้นในคนชั่วก็มีคนกลางๆก็มีคนดีมากก็มีดีน้อยก็มีมันก็เป็นปกติธรรมดาเราก็ต้องพยายามทําใจใ ห, ให้ยอมรับความจริงว่า เราอย่าไปวุ่นวายกับเขาแล้วกันคือถ้าเขาทำยังไงก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าถ้าเราไม่ไปวุ่นวายกับเขามันก็ไม่มีปัญหาอะไรการนำการฝึกสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงโอนี้สบายเลยทำอะไรให้มีสติพูดจะมีสติคิดจะมีสติเดินให้มีสติทำพูดคิดอะไรแต่อะไรทั้งหมดให่มีสติสมาธิมันก็เกิดขึ้น สมาธิกับสติเนี่ยเขาเป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันถ้าเราขาดสติสมาธิก็มีไม่ได้พอมีสติมันสมาธิมันก็ตามมาเองเอ่อข้อต่อไปถามว่ายมาบาลมีบาหรือเปล่าที่ทรมานผู้ที่ตกนรกมันก็บาปนะฮะบาปเพราะพวกนี้เขาก็มากโดยวิหิงสาแต่มีเจตนาลงไปแต่ว่าเป็นการทํางานตามภาระหน้าที่ เพราะนั้นเกิดมาก็ได้ผลของบาปแต่พวกนี้ก็ยินดีในที่สุดก็สะสมบาปด้วยกันนะ่ไปทําลายชีวิตคนอื่นจะไม่บาปยังไงอ๋ออย่างแต่ยบาปมากหรือบาปน้อยเป็นรายละเอียดว่าสัตว์นรกนั้นเขาก็เสวยผลกรรมของเขาอ่าเว็ไปตามกรรมของเขาเหมือนกับนักโทษที่ถูกประหารเนี่ยถูกประหารตามคําพิพากษาของศาลแต่ว่าพิพากษาของกฎหมายอ่าเพราะฉะนั้ น, นคนที่อยู่ในกระบวนการนี้มันก็บาปแหละแต่ว่าบาปไม่มากกันนั่นเอง ทุกฟังทั้งหลายใต้ร่มประโพธิญานในวันนี้ข อ, อุตวิวว้โดยเวลาเถึงท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี